เรื่องจตุโลกบาลโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอมวยพรสิริสวัสดิ์ดพิพัฒน ม, มงคลความพาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติองพุทธบริษัทผู้มีความสนใจไปในธรรมผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ในบุญในกุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ ชวลาต่อจากนี้ไ ป, เ, ปเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปราถกธาธรรมเป็นคําสั้นในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยความสงบรำงับด้วยกายากว่าใจตามสบายๆฟังกันแบบฟรีสไตล์ไม่ต้องปแปลโน้มือก็ได้นั่งฟังให้สบา ย, บายหรือจะทํายังในฟังก็ได้ขอให้มันเข้าไปในหูและเข้าไปสู่ใจตอนนี้เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ ตั้งใจฟังไว้ก่อนวันนี้เป็นวันพระแต่มาถึงอกีกหวันหนึ่งวันพระควรจะเป็นวันที่มีความหมายมากที่สุดสําหรับเราผู้เป็นชาวพุทธผู้มีพุทธศาสนาเป็นเรือนใจทุกศาสนามีวันพระตแต่แตในแต่ไรมาแล้วตั้งแต่ศาสนาเดะธีนี่คนปริพาชกอาเจโรอะไรต่างๆมันจะศาสนาฮินดูของพวกพามก่อนโ น, น้น ตัววันนี้ศาสนาจะใหญ่ได้โลกเขาก็มีวันสําคัญที่เราเรียกกันว่าวันพระนั้นเรียกว่าวันฮอร์เระ์วันแห่งความบริสุทธิ์นั่นเองวันพระนี้เป็นวันพระเอกวันหนึ่งที่เวียนมาเป็นจบครบรอบที่เราทั้งหลายจะต้องมาทําความรู้สึกต่อวันพระนี้กันให้ดีๆสาหรับผู้ที่ฝ่ายทําจงถือเสีอว่าวันพระนี้เป็นวันที่เราจะขจัดขัดเกลาซักฟองจิตใจของเราให้มันสะอาดสว่างสงบ เนื่องจากว่าก่อนนั้นเราได้ใช้งานของมันไม่ได้เคยรักษาควบคุมทางด้านจิตใจอะไรมักงนะักปล่อยมันไปตามกระแสแห่งโรคแห่งอารมณ์ไม่ว่าจะเข้ามาทางตาทางหูทางแกหมกูกทางลิ้นทางกายทางใจในที่สุดมันก็นมาเป็นเซดิเมนท์นอนเนื่องเป็นตะกอนเดินในจิตในใจท่านสาชุชนทั้งหลายจิตใ จ, จนั้นมีหน้าที่มากทางานตลอดยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างตาเห็น ก็เข้าไปสู่ใจพอใจไม่พอใจเกิดมาจากตาได้เห็นรูปหูได้เหนเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสทั้งหมดนั้นจะเข้ามาส่งกองบัญชาการใหญ่คือใจเมื่อมองเห็นความสวยสดงดงามก็บอกว่าชอบใจไม่เคยบอกว่าชอบตาถ้าเจอความพอใจจะโลดโทนจน เกิดอาการยับยั้งชั่งใจไม่หยุดเกิดปริติเกิดความพอพ อ, พอใจจนโลภผลชนิดสว่าง up lifting joy ก็ยังบอกว่าแม่ชื่นใจจังเลยโตใจจังเลยอะไรต่างๆทั้งๆที่มองเห็นควรจะบอกว่าถูกตาโอ้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่เพเระหรือไม่ไพเราะถ้าเกิดสนุกสนานชอบใจพอใจขึ้นมาก็บอกว่านะชอบใจจังเลยทําไมไม่บอกว่าชอบโอ้ทั้งที่ได้ยินทางโหนะูนั่น ลักษณะชนนี้แหละเป็นลักษณะที่เราพอจะรู้ได้ว่าเรื่องของจิตใจนั้นเป็นเรื่องที่จะ ค, ควรที่จะเอาใจใส่อย่างยิ่งไม่ว่าจะเห็นทางตาได้ยินทางหูได้กลิ่นทางจมกูกได้สมัมผัสรสชาติฝาดขมเผ็ดเค็มอร่อยแซบนัวอะไรต่างๆหรือความสมัมผัสทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งมันส่งความรู้สึกทั้งหมดนั้นไปรวมอยู่ที่ใจ ใจเท่านั้นเป็นผู้รับรู้ใจถนั้นเป็นผู้รับผิดชอบเพราะงะั้นใจนี้จึงสําคัญมีหน้าที่มีการงานมา ก, า ก, ม ก, ก, กถ้าหากจะมีสุข ก, ก็สุขที่ใจถ้าหากแกมีทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจร่างกายจะอยู่เย็นเป็นสุขมากมีสีสุขสะดวกสบายสดสวยร่ารวยกันอย่างไรก็ตามถ้ากายไม่มีความสุขแล้วมันก็เสาร์ถ้าใจไม่มีความสุขแล้วมันก็เสาม์มอมเป็นทุกข์ทนไม่ได้ทั้งกระหน่อกินยาตายผู้คอตาย ค่าตัวตายทั้งหมดนั่นมันเป็นเรื่องของใจทั้งนั้นบางคนทุกข์ยากแสนจะทุกข์ยากลําบากตากแดดอยู่กลางทุ่งกลางท่าใส่เสื้อผ้ากระขาดอาหารปาราประแดกบองกินไปวันวันทำงานทั้งวันเลื่อยไม้ไต้กบอะไรต่างๆขุดดินทางป่าแต่เขามีความสุขร้องรําทําเพลงไปกลับมาบ้านยิ้ม ขึ้ในใจกินข้าวกับแกวประแดกประราอยู่เขาก็มีความสุขใจกับลูกกับเมียบ้านเขาไม่จะเป็นหลังน้อยมันก็กลายเป็นสวรรค์ตัวเขาไม่จะยากจนแต่มันก็เป็นเทวดาบนสวรรค์คือบ้านหลังนั้นเมียเขาก็สบายใจผัว ก, กับเมียเป็นเทวีเทวาลูกเล็กๆ เ, เกิดมาเป็นเทพปุษตเทพปิดดาลูกสาวลูกชายมันผิดกันตรงที่ใจ บางคนมักมีสีสกบ้านหลังใหญ่ๆทะเลาะกันหยดบ่อยๆผัวกับเมียเป็นหนี้เป็นสินความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่รู้จักหยดจับพอเป็นนิ่งบ้างๆหาทางออกไม่ได้มเมาหน้ากันไม่ติดพูดกันดีๆกลายเป็นความเข้าใจผิดเป็นเรื่องร้ายบ้านหลังใหญ่ๆโตๆกลายเป็นนรกผัวกับเมียก็กลายเป็นสัตว์ในานารกไปบางทีก็ทะเลาะกันกลายเป็นยักคีนีคีโน่จั๊กคีนียักโคโนตีกันร้างข้างแตก ลูกยักษร้องให้สนั่นหวันไวโคกกระบากสากบเบื่อปิวันทั้งหมดนั้นหาความสุขไม่ได้เนื่องจากใจที่ขาดความสุขนั่นเองเพราะนั้นใจนี้จึงเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีอำนาจมากเวลามันจะใหญ่ก็ใหญ่เนือฟ้าเนื้ออากาศเนื้อแผ่นดินใหญ่ครับฟ้าเวลามันจะเล็กมันก็เล็จริง ก, ตกต็ตัวเลดตัวลายตัวเรน เวลามันจะสูงใจนี่มันสูงเหนือฟ้าเหนืออากาศเหนือเทวดามารพรจนทะลุออกไปเป็นพระคีนาสกเป็นพอะอระหันตพ้นจากทุกขังปวงได้ก็พอแจน่นี่เวลามันจะต่ําก็ต่ําลงไปสุดที่จะค่าคิดต่ําลงไปใต้ผ้าเช็ดตีนเข้าไปโน่นนี่เรียกว่าใจต่ําทําได้ลูกถึงตัอย่างชนิดที่สัตว์ธรรมดาทําไม่ได้มนุษย์ที่มีใจสูงนี่แหละกลายเป็นผู้ทําได้ทุกอย่างเวลามันจะต่ํามันก็ต่ํา ม, มากเวลามันจะ กล้ามก็กล้าแต่งสุเวียนอยู่ที่ใจนี่แค่นิดที่ว่าซื้หาราชาสื้อมาอาชาไหช่างอาชาไนก็ยังไม่สามารถที่จะกล้าแต่งเท่ากับจิตใจของขนกล้าเวลามันจะกลัวมันก็กลัวไม่ได้ทั้งเสียงลมหายใจของตอนเองกลัวไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดนั้นเขื่อใจเราควรจะต้องมาจากกัดการกับใจนี้ให้มากๆชั่วระยะวันพระหนึ่งหนึ่ง จงจือเสว่าวันพักคือวันประเสริฐวันที่เราจะจัดการกับใจหนึ่งให้ใจได้พักผ่อนจากการดิ่นรนกระวนกระวายกวัดแกงด้วยความอยากความยุ่งความยึดเรื่องกินเรื่องตามเรื่องเกลียดที่มันทาให้จิตใจหม่นมองทางรูปทางเสียงทางติ่นทางรสสัมผัสที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมาโ่ใจกลายเป็นโรคเอทแทนที่ใหม่ที่เรียกว่าซาร์เบรนชวนเอทไม่ว่าเอท เพิ่มทุกเข้ามาทางตาของทางจงทางริ้นทางกายทางใจเข้ามาโศกใจนี่บัวเข้ามาช่วยเหลือให้เกิดทุกข์มากๆแล้วจะมีแอนตี้เอพวกนี้คือมีสติสัมปชัญญะโยทุกกรณีที่เราได้รู้ได้เห็นได้ยินได้รังเกียจศาสนาพุทธทั้งหมดเริ่มต้นอยู่ที่ตาหูจห ม, ộc, มูกริ้นกายใจการศึกษาธรรมะตั้งแต่ศิลธรมธรมธรรมดาจนถึงโลกุกตตรธรรมจนถึงการดับทุกข์ อยู่ที่การศึกษาที่ตาหูจมูกลินกายใจที่มันเห็นที่มันได้ยินที่มันได้กลิ่นที่มันได้รสที่มันได้สัมผัสจากรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสต่างๆเหล่านี้เพราะฉนั้นวันพระจึงควรจะต้องมีด้วยกันทุกๆุกศาสนามันก็ถูกแล้วพี่น้องชาวคริสก็มีวัน เสาร์วันอาทิตย์การวันสบาโตวันฮอลลเดย์วันฮอลลเดย์คือวันแห่งความบริสุทธิ์นั่นเองส่วนพี่น้องชาวอิสลามเขามียมเจมาคือวันศุกร์วันศุกร์เป็นวันพระของเขาส่วนเราชาวพุทธชาวฮินดูชาวพราหมงทั้งหลายนู่นก็มีวันพระร่วมกันวันเดียวกันแต่กิจกรรมในวันพระนั้นจะเหมือนกันหรือไม่ นั่นคือที่คำสองของสัปดาห์ขศาสน า, านั้นนั่นคือวันเจ็ดค่ำแปดค่ำสิบสี่ค่ำสิบห้าค่ำว่ากันว่าวันพระนี้ในทางตําราพระพุทธศาสนาก็เคยพูดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องเท้าเจตุโรคกบาลตรวจโล ก, ก, บบนโลกในวันพระ 7, 8, 5, เจ็ดค่ำแปดค่ำสิบสี่ค่ำอามารบริวานของเท้าเจตุโรค ก, ก บ, บาล จะได้ที่ออกมาตรวจตาโดมวลมนุษยชาติในโลกนี้ว่ามนุษย์นี้ยังทำบุญสุนทรธ า, านยังฟังเทศฟังธรรมยังจำศีนยังรักษาศีนอุโบสถอยู่หรือในวันประเสริฐเช่นนี้วันที่มนุษย์จะต้องหยุดการเข็มข่าการใช้แรงงานหยุดการกระทำความชั่วกำรามกต่างๆใครจะมาที่รูว่าโอ้มนุษย์ในโลกนี้ ยังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อุปรหาพ่อแม่ยังเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ยังเชื่อฟังครูบาอาจารย์ยังเคารพสมณพามยังทําบุญสุนทรภารานยังฟังธรรมยังซื้อสิทธห้ายังสมาทานอุโบสถเส็ลในวันพระนี่บางไหมนี่วันเจ็ดค่ำแปดค่ำสิบสี่ค่ำอํามาตยบริวารของท้าวเจโตโรกบาลก็จะต้องมาตรวจเองเมื่อท้าวเจโตโรคกบาลตรวจเสร็จเรียบร้อย อเมื่ออา ม, มาบรวาิวารเท้าเจตโรคก บ, บาลตรวจเสร็จก็จะมาถึงวันสิบห้าค่ำคือวันพระใหญ่เมื่อวันสิบห้าค่ำวันพระใหญ่นี้เท้าเจตโรคก บ, บาลเน้นทีจะต้องลงมือเองซะแล้วลงมือเองตรวจเองเลยวันสิบห้าค่ำว่าเ อ, อมนุษย์ในโรคนี้ยังพากันรักษาสิงในวันอุโบสถไหม ในวันธรรมดายังมีความเคารพลูกเต้าทั้งหลายอย่างเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่ดูถูกดูแคลนยังไม่พูดจากระโชคโคกค่าทําลายจิตใจพ่อแม่ให้ลําบากยังเคารพครูบาอาจารย์ยังเชื่อฟังสมณพามยังทําบุญให้ทานตักบาตรแก่สมณพามยอยู่หรือไม่ถ้าจะโรคกบาลจะต้องลงมือตัวเองในวันสิบห้าคำอย่างนั้นก็ไปรายงานให้แก่พระอินทร์อยู่บนสวรรค์แทนดาวประเด็นไปรายงาน ถ้าเห็นมนุษย์นี่ทำบุญใส่บาตรมาก ๆ, ๆมนุษย์อย่างเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่างเชื่อฟังครูบาอาจารย์ยังเคารพสมณพามยังทำบุญสุนตรหารอย่างรักษาสิ่อุโบสถ ก, ก, กันโยข้าวจตุโลกบานเหล่านี้ก็จะบอกแกพระเอกว่าเออในหมู่มนุษย์ยังมีความเจริญในสิ่งในธรรมย่างเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อย่ังเคารพครูบาอาจารย์อย่างเชื่อฟังสมณพามยังเคารพบูชาสมณพามยังทำบุญให้ทาน แต่กบาทรักษาสิงกันโยอุโบสถก็ยังมีอยู่ถ้าอย่างนี้พวกเทวดาบนสวรรค์ต่างก็ดี อ, อกดีใจ อ, อ๋อบัดนี้กายทิพย์จะเจริญแล้วเนาะต่อไปพวกเหล่านี้ก็จะได้มาเกิดในสวรรค์เป็นบริวารเป็นหมวกเป็นคณนะเป็นเทพนิยายกับเราต่อไปนี้ในสวรรค์นี้ก็จะเกลื่อนกล่นไปด้วยเทวดากายทิพย์ก็จะเจริญมากในสวรรค์ เหล่าเทพดาทั้งหลายก็ดีออกเดชใจเสียงคีตาดนตรีทิพย์อันบ่งบอกถึงความเจริญทางจิตใจแห่งหมู่บวนเทพก็จะได้บรรเลงเกิดก้องในอากาศพร้อมกันนั้นได้ฮ่มนุษย์ได้ทำคุณงามความดีมากๆแม้ว่าไม่ได้มาตรวจเหล่าเทวดาเหล่านั้นก็จะรู้ได้ว่าเมื่อใดดอกไม้ปริชาติบนสวงสวรรค์เทวโลกฉันดาบดึง ได้เริ่มผลิดอกออกมาเถาวดายอดมีความเพลิดเพลินว่าเอออีกหน่อยเถอะดอกนี้ผลิแล้วก็ตูมตูมและอีกหน่อยเถอะเดี๋ยวก็บานกลิ่นหอมกระจายไปทั่วฟร้งไปหมดทั่ว ส, สวรรค์แห่งโมวลดอกปาริชาเสียงดนตรีทิพย์แห่งโบวบลเทพเจ้า ก, ก็ดังเกื้อก้าว本领บ่ง บ, งบอกถึงความสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยอารมณ์อันเป็นทิพย์บัดนี้เมืองมนุษย์นั้น ผู้คนยังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ผู้คนยังเชื่อฟังคูบาอาจารผู้คนยังเคารพบูชาสมณพามผู้ทรงศิลผู้คนในเมืองมนุษย์ยังทำบุญให้ทานตักบาตรยังรักษาศีลห้ารักษาศีลอุโบสถอีกหน่อยเธอก็จะมาแอาอัดบนสวรรค์ด้วยกันเราจะมีแต่ความสุขอันเป็นที่แห่งเทพมีไกดีแต่ถ้าหากว่าถึงวันพระสิบห้าค่ำท้าวเจตุโรคบาลมาตรวจโรคเสร็จเรียบร้อย ไม่เห็นมนุษย์ทำคณงามความดีนะักมีจำนวนน้อยเข้าวัดในวันพระก่อนนิดเดียวพร้อมกันนั้นก็ไม่เรียนดูพ่อแม่พ่อแม่พูดไม่ดีก็ด่าว่าไม่พอ อ, อกพอใจหน่อย ก็จะว่าให้การโชคโขกห่าพ่อแม่เท่าๆในบางทีร้องไห้น้าตาไหลถูกลูกเผาผานจิตใจยังไม่ตายมันเผาซะก่อนแล้วเผาจิตเผาใจด้วยการกระทําไม่ดีไม่งามเพราะงั้นก็พูดจากเล่าราวเลยโชคโหกห่าแม่น้ําตาหลังน้ําตาไหลพ่อร้องไห้เสียใจเพราะลูกกระทําไม่ดีไม่งามอย่างนี้มนุษย์ในโลกไม่ บูชาไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ไม่เคารพครูบาอาจารย์ไม่เคารพไม่บูชาสมณพามไม่สร้างกุงงามความดีทำบุญตักบาตไม่ถือศีลห้าไม่สะมาหารอุโบสถในวนันพระแล้วจิตวิโรธกบาลก็มีหน้าตาเศร้าหมองขึ้นไปบนสวรรค์ฉันดาวประเดึงบอกกับพระอินทว่บัดนี้เมืองมนุษย์นั้นเต็ไมไปด้วยอาธรรมอัลลา ม, มกเต็ไมไปด้วยมนุษย์อันตรายเอารัดเอาเปรียบโกหีข่มเหงกันในชุมชนในสังคม พร้อมกันนั้นแม้แต่พ่อแม่ของตนเองมนุษย์ในโลกนี้เขาก็ไม่เคารพเขาไม่บูชาเขาเลี้ยงไปสักแต่ว่าเลี้ยงเลี้ยงทางกายส่วนจิตใจเขาไม่ได้เลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเขาอยากจะพูดอะไรก็พูดข่มเหงน้ําใจพ่อแม่ในในเวลาที่อากาศหนา ว, นาวมนุษย์ในโลกนี้แทนที่เขาจะควานขวายหาผ้าหม่มให้แม่เต่ า, าให้พ่อเต่าได้นุ่งหม่มแทนที่เขาจะขวานขวายต้มน้ําร้อนน้ําอุ่น ให้พ่อให้แม่เท่าๆได้อาให้อุ่นบ้างในหน้าหนาวเขากลับอุ้มไก่ตีอุ้มไก่ชนต้มน้ำร้อนอุ่มอุ่นเอาผ้าชุบ ป, ประพรมหน้าไก่กลัวมันจะหนาวตายเวลาไก่เขาไปชนกันในวันเสาร์วันอาทิตย์มันมีขี้โมกมันหายใจไม่ถนัดตีไม่เก่งเขาสามารถที่จะจบขี้โมกออกจากโขกไก่ได้แต่พ่อแม่หนาวสัน่นหันงอเขาไม่สนใจที่จะหาผ้ามาให้ห่มและไม่สนใจที่จะ ต้มน้ำอุ่นๆให้พ่อแม่อับเลยนี่เขารักไก่ตีรักไก่ชนมากกว่าพ่อกว่าแม่ในวันเสาร์วันอาทิตย์พ่อแม่นอนเจ็บไข้ยอยู่ที่บ้านเขาไม่สนใจจะดูซาเขาเป็นห่วงที่จะไปดูมวยตู้ดูโทรทัศน์มากกว่าที่จะดูแลพ่อแม่ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเขาเป็นห่วงที่จะไปกินเล่าสนุกสนานเพอเลินกว่าที่จะมาสนใจกับแม่เท่าๆที่นอนไข่ยอยู่ที่บ้านถ้าจะโตโลคกระบางก็จะลำพึงลำพันสมณะาพามผู้มีศีล สมณพามผู้ประพฤติปฏิบัติดีเขาไม่สนใจเขาจะลังลายไปหาสมณพามเกผู้บอกเลขบอกหวยเครื่องลังของขังนั่งทางในในไสยศาสตร์บัดนี้เมืองมนุษย์ได้ผิปลิดแปลปวนหมดแล้วเห็นความดีเป็นความเห็นความดีเป็นความชั่วเห็นกองจักเป็นดอกบัวเอาหางเป็นหัวเอาชั่วเป็นดีท้าเจตุโลกบาลก็หน้าตาเศร้าหมองไปบอกกับพระอิมส่วนเทวดาบนลูนก็พากันเศร้ามองว่าบัดนี้กายทิพย์ จะลดลงสวรรค์จะละหล้วมพวกเพศมีเทวดาจํานวนน้อยอสุรกายจะปรากฏแน่นแออัดยัดเยียดกันโยนในนรกคํ า, ลากล่าวเหล่านี้มีไว้ในพระไตรปิฎกให้เราได้รู้ได้เห็นจบคํากล่าวนี้มีในพระไตรปิฎกสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายติ ก, การนิบาตปทุมมปัญ น, นาตไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบ เล่มที่20ข้อที่4ี่รหน้าที่180พระพุทธเจ้าท่านเคยกล่าวเอาไว้มีคำ ว, ว่าอัธมียังพิขเวปัสสะจะตุนังมหาราชานังอามัจจาบริษัทสาอิ ม, มังโลกังอนุวิจารันติกัจจักกติพระโฮ ม, มนุษยสามนุษย์เสสุเมตัยยม เปเตยยสมัญญาพมัญญาคุลเชธาปจานิโยแต่เป็นภาษาไทยของเราง่ายๆที่เราจะเข้าใจกันได้ไม่จะเป็นต้องพูดภาษาบาลีก็ได้มีจ้อยคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสให้พิสุทธ์ทั้งหลายฝังหวาดดูก่อนพิสุทธ์ั้งหลายในดิทีที่แปดแห่งปักชวนแปดคําเทวดาผู้เป็นบริวารของเท้าเจตโรกบาลย่อมเที่ยวตรวจ ด, ดูโลกในวันในหมู่มนุษย์ มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่บิดามารดาเกื้อกูลแกสมณะแก่ผามอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อฟังครูบาอาจารย์อธิษฐานอุโบสถปฏิบัติทรรบุญมีอยู่มากหรือหนอดูก่อนเป็สุตังหลายในดิถีที่สิบสี่ข้าของปักพวกโอรสลูกของเท้าเจ้ตุลมหลาราชยอมเที่ยวตรวจดูโลกในว่าในหมูคมนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลแกมารดาบิดามีอยู่มากหรือน้อยแค่ไหนมีอยู่หรือเนอ ดูวาลิสุทธังายในวันอุโบสถที่สิบห้าค่ำหนึ่เท้าจตโรก บ, บาลจ่อมเที่ยตวตรวจดูโรกนี้ด้วยตนเองที่เดี๋ยวว่าในหมู่มนุษย์นั้นมนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มาดาเรื้อกูลแก่บิดาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เคารพครูบาอาจารย์เกื้อกูลแก่สมณพามอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลอธิษฐานอุโบสถปฏิบัติธรรมดุลมีอยู่มากรือหนอ ดูคนามพิสังขายท่านในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาแก่บิดาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อสมณนะาพามเคารพกูบาอาจารย์มีการทําบุญอยู่น้อยถ้าจะตุโรกบาลย่อมบอกทั้งเหตุที่กล่าวมานั้นแก่พวกเท ว, วดาชั้นดาวดึงซึ่งมาประชุมกันนักธรรมวสภาวา่ดูก่านท่านผู้นี้กระทบทัขข้งหลายในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาบิดาปฏิบัติชอบต่อบิดามารดาอุปหาบบิดามารดาเชื่อฟังกูบาอาจารย์ เขารบบูชาสมณพามทำบุญตักบาตสมาทานอุโบสถทศิล์และทำบุญกับพิกษุทั้งหลายนั้นมีน้อยเพราะเหตุนั้นพวกเทวดานั้นชั้นดาวดึงย่อมพากันเสียใจว่าดูก่อนผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยตายทิพย์จากเสื่อมหายอสุรกายจากเต็มบริบูรณ์ดังนี้ดูก่อนพิจารณาทั้งหลายถ้าในบูมนุษย์มนุษย์ที่เกือกูลแก่บิดามารดา เชื่อฟังคุบาอาจารย์เขารบบูชาสมณาพามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำบุญตักบาทฟังธรรมจำสินโอโบสดถือสิ่งห้ามีโยกมากเท้าจตุโรกรบาลมหาราชยอมบอกถึงเหตุที่กล่าวมานั้นแก่พวกเทวดาชั้นดับดึงที่มาประชุมกันณธรรมณสภาว่าด้วยก่อนท่านผู้นิระทุกทั้งหลาย ในหมู่มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาเกื้อกูลแกบิดาเกื้อกูลแก่สมณะเกื้อกูลแก่ผามเชือ่อฟังคูบาอาจารย์อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลอธิษฐานอุโบสถในวันพระสมหานติเนื้อในวรรมดาปฏิบัติดีปฏิบัติตตชอบทำบุญมีอยู่มากแลเพราะเหตุ น, นั้นพวกเทวดาชั้นดาวดึงย่อมพากันดีแกว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายกายทิพย์จะเต็มบริบูรณ์อสุรกายจากเสื่อมสูญ และวมมูลเทพเจ้าย่อมบันเทิงอันนี้ผู้ทธเจ้าท่านตัดเอาไว้ทั้งที่ได้มาเก่าแล้วในปฐมปันนาเกินันนบาทอังคุตนิกายปรไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบข้อที่สี่ร้อยเจ็ดสิบหกหน้าที่หนึ่งร้อยแปดสิบถ้ามีโอกาสก็ลองศึกษาค้นคว้าดูไม่ใช่อาตมาว่าเขาเอง ก็วันนี้เป็นวันพระได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกแล้วเราจะอยู่ในกลุ่มชนที่พวกเทวดาเหล่านั้นปาราหรือเราจะอยู่ในกลุ่มชนที่พวกเทวดาจะต้องเศร้ามองที่แน่ๆคือไม่ใช่เรียนเทวดาเศร้าหมองด้วยพวกเราเองก็จะเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะการกระทำที่มัวประมาทและสังคมของเราเองก็จะเดดร้อนท่านสาธุชนทั้งหลายไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่จะดีกว่ามนุษย์โลกที่เราได้เกิดมา เพราะว่าในบ้านนี้เมืองนี้มีพระพุทธศาสนาแล้วเกิดมาอยู่ในเมืองฝรั่งมั่งค่าแม้จะเจริญรุ่งเรืองถ้าขาดพุทธศาสนาก็มีแต่โอกาสที่จะประมาทมิได้ความอยากได้อยากมีอยากเป็นโอกาสที่จะสร้างสรร์พัฒนาชีวิตที่สูงขึ้นจะหมาดีท่านอย่าเพื่อเห็นของร้ายเป็นของดีจะซื้อเห็นของหายเป็นดีม่ขายเห็นดานดาวดองกวางวาแปน เขาจะบอความเจริญทางวัตถุนั้นคือความดีความงามความถูกต้องเดียวนี้ฝรั่งต้องกินยาตา ย, ตายผูกคอตายเป็นโรคซะยาดเอาปืนยิงหัวตายมากที่สุดเพราะความเจริญทางวัตถุจิตใจไม่มีธรรมะที่จะเข้าไปยอมไปประสานยามผิดหวังยามช่อชันเมื่อเป็นอย่างนี้ฝรั่งนมนมฮิปโปฮิปปี้ทั้งหลายจึงสนใจพุทธศาสตร์นะเป็นพิเศษอาตมาอยู่ในป่านในดงแม้วันนี้เองก็ได้รับจดหมายจากฝรั่ง ดังแกอยากจะมาประพฤขึปฏิบัติทมกันเป็นจำนวนมากว่าเราจะมีที่ให้โย่มีที่ให้เกณฑเหลอไม่ทำไมเขาจึงดิ้นดนขวานขวายททดทิ้งศาสนาเก่าดั้งเดิมของเขา เพราะว่าศาสนาเก่าก็ดีวัตถุนิยมที่เขามั่งมีสีสุกมีเงินมีทองนั้นมันช่วยอะไรไม่ได้สังเกตดูคนทุกข์ยากลำบากเกี่ยวข้าวเกี่ยวปลาในทุน่งในท่าร้องเพลงอย่างสบายคนมึ่งมีสีสุกที่ไม่มีคนทำตกนรกติดแอร์หน้าตาเศร้าหมองอยู่ในห้องแอร์ั้งกับเป็นโรคประสาทในห้องแอร์กินยาตายในห้องแอร์เอาน้ากดรถราาสาดหน้ากันในห้องแอร์ ทั้งหมดนั้นคือความทุกข์ก็ได้ตหาขาดขาธรรมะเพราะฉะนั้นในสวรรค์จึงไม่ได้วิเศษอะไรไปยิ่งกว่าในเมืองมนุษย์เพราะว่าในสวรรค์นั้นมีได้เรื่องของตา ม, มารมณ์พระพุทธเจ้าท่านกล่าวไว้ในฐานะโสดอังคุตการิายพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบสามข้อที่อคุตการิไกพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบสามข้อที่สองร้อยยี่สิบห้าหน้าที่สามร้อยแปดสิบ ในโสตมีชื่อว่าฐานโสตพระพุทธเจ้ากลว่าด้วยกว่อนที่ตัวต่างหลายในหมู่มนุษย์นี้ย่อมปละเสื่อกว่าเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาว ด, ดึงถึงสามสถานคือในเมืองมนุษย์นี้หนึ่งย่อมเป็นผู้มีความอดทนสองเป็นผู้มีความเพียรยอดเยี่ยมสามเป็นผู้มีสติทำไมจึงกล่าวว่าในเมืองมนุษย์ต้องอดทนกว่าเทวดาเพราะเมือมนุษย์มันมีความทุกขกว่าเทวดามีอายุกว่าน้อยไม่เกินร้อยปี มนุษย์จึงเป็นผู้แกล้งกล้ า, ลาได้มาเกิดที่นี่เพราะต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์พร้อมกันนั้นมนุษย์ก็ต้องมีสติยิ่งกว่าเทวดาจึงยาวตัวรอดกันได้เพราะว่ามันมีความทุกข์มาคอยเพือนจิตสกิดใจคอยดีบขันต่อมนี้สติกำหนดรู้เท่ารันดีอยู่ในโลกที่มีความทุกข์อยู่ในโลกที่มีความขมขืนนี้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเทวดาทั้งหลายจะตายเทวดาทั้งหลายจึงให้พรแก่กันและกันในพระเรบิดกพ่าจะมาณโสด คุตการในกายเล่มที่ยี่สิบห้าข้อที่สองร้อยหกสิบเอ็ดหน้าสองร้อยหกสิบเจ็ดสองแปดสิบเก้าฉบับภาษาบาลีมีคำกล่าวไว้ที่พระพุทธเจ้าท่านพูดในเรื่องพระจ้าจมโนโศว่าเทวดาให้พรกันเมื่อใดเทวดาจะตายจะจุดติดจากสวรรค์หนึ่งดอกไม้ทิพเหี่ยวแห่งฟองเสื้อผ้าผ่อนเศ้าหมองสามผิวพันของเทวดานั้นเศ้าหมอง สีที่นั่งเดนอนร้อนรนกระบนกับวายห้าเหือออกจากกระแรเมื่อมีบุพนิมิตห้าประการนี้ปันจะจับบุพนิมิต ต, ต่างตาตุภาวันติเรียกว่าบุพนิมิตห้าประการปรากฏขึ้นแล้วเทวดาทั้งหลายย่อมรู้กันว่าบัตรนี้จะต้องตายหมดบนจากสวรรค์เทวดาก็จะลังไลายไปให้พรกันว่าพ่อเอ๋ยพ่อมหาจำเริ่มแม่มหาจำเริญมเมื่อหมดบนจากสวรรค์จุดจีจากสวรรค์แล้วขอให้ท่าน จงได้ไปสู่สุคติเมื่อท่าไปสู่สุคติแล้วคอยท่านได้พบราบอันเสริตเมื่อท่านพบราบอันเปรตแล้วให้ท่านตั้งอยู่ในราบนั้นนานๆดูกวามที่สุดทั้งหลายเทวดาทั้งหลายย่อมให้พรกันอย่างนี้จ่นที่เทวดาจะจิติจากตะวันเมื่อได้พบปุพัพนิมิธาประกาศนั้นพระพุทธเจา้ากับตัดกับพิสดารทั้งหลาย <c oughs> ขอประทานอภัยเสียงไม่ไวที่เชื่อตะวันมหาวิหารในตอนเย็นๆของวันนะั้น ทีนี้ที่สุดต่างหลายคนก็เลยสงสัยว่าเออ้พวกเรามนุษย์ดีเวลาจะตายก็อวยพรให้กันเขียนใส่พวงหลีและไปตั้งไว้ขอวิญญาณของท่านจงไปสู่สุขติแล้วมนุษย์ก็อวยพรให้กันให้ไปสู่สุขติแล้วเมื่อเทวดาจะตายต้องบอกให้กันไปสู่สุขติอวยพรให้แก่กันละกันว่าขอท่านจงไปสู่สุขติไปสู่สุขติแล้วขอท่านได้พบลาบอันรเสริดเมื่อพบลาบเสริดแล้วขอท่านตั้งอยู่ในลาบนั้นนาน อะไรเล่าพระภูมีพระภาคเจ้าพูดจเจริญคือสุขติของเทวดาอะไรเล่าคือราบของเทวดาอะไรเล่าคือการตั้งอยู่ในราภประเสริฐนันนานของเทวดาที่ให้พรแก่กันพระพุทธเจ้าท่านก็นเลยบอกว่าดูกรที่สุดทางหลายการได้เกิดในหมู่มนุษย์เป็นสหายแห่งมนุษย์อย่างพวกเรานี้แหละคือสุขติของเทวดา การได้พบลาบของเทวดานั้นก็คือการได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วในประเทศที่มีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่มีพระพุทธประธรรมทระสงนั้นเป็นลาบอันประเสริฐของเทวดาที่ให้พรกันการตั้งอยู่ในลาบนานๆที่เทวดาให้พรกันนั้นก็คือขอให้ท่านจงมีสภามีศีลเคารพในพระพุทธประธรรมประสง์สมทานเศีนให้ดีๆจะได้มาเกิดเป็นเทวดาด้วยกันบ่อยๆ นี่เจนนั้นมันจะร่วงลงในนรกเนี่ยแตมาไม่ได้พูดเราเองแต่ท่านคิดว่าแตมาพูดเราเองก็ไปเปิดพระไตรปิฎกว่าจะมานะโสดคุตดกันใกายเพราะแต่ไติฎกเล่มที่ยี่สิบห้าข้อที่สองร้อยหกสิบเอ็ดหน้าที่สองร้อยแปดสิบเก้าท่าอันนี้มันเป็นภาษาบาลีก็ลองไปเปิดเล่มเดียวกันเนี่ยเล่มที่ยี้าข้อที่สองร้อยหกสิบเอ็ดหน้าที่สองร้อยเก้าสิบเจ็ดหรือฉบับไหนก็ตามใจที่เป็น เพื่อได้บิดกดจำข้อไว้ให้ดีสองร้อยหกสิบเอ็ดหน้าที่ยี่สิบห้าเริ่มที่ยี่สิบห้าข้อที่สองร้อหกสิบเอ็ดส่วนหน้าไม่ตรงกันมันมีหลายชุดเทวดาเลยให้พรกันให้ไปสุส่สุคติพวกเราทั้งหลายจะต้องมาเอาแต่สุคติหลังจากตายแล้วเข้าใจว่าตายแล้วจึงจะไปสู่สุคติถ้าสมมุติว่าเราจะไปทปําบุญทําทานไปบ้านโน้นเมืองนี้เหมือนกับจะมาที่นี่มายังเมืองโคราชจะมาที่ ่าวัดป่าบ้านแพนนิเพที่การามไปฟังเทศอาจารย์สมทบกันเถอะและพวกโคราชก็บอกว่าเออเอ็งไปไม่ได้เพราะมัวมไดย่งอยากด้วยอนาทีการงานไปเสียวค่อยทันจงไปสู่สุขติสุขติเดี๋ยวไปฟังเทศอาจารย์สมทบแล้วจงไปสู่สุขตินะธรรมาโมอวยพรให้กันอย่างนี้ท่านนึงหลายก็คงจะตาขวางเสร็จวะกูไปทนได้ตายบ่คือจะมาให้ไปสู่สุขติไว้เทอะพริวาอ๋อ ความจริงเขาพูดถูกไหนะไปโกรธเขาแต่เขาให้เราไปสู่สุขติยังเป็นๆขอให้ยกเสกเก้าเท้าใส่หัวซาทุเรายังเข้าใจสุขติกันน้อยไปสุขติกันน้อยไปเอาว่าพอที่เราไปสู่สุขติจงดีใจเพราะว่าคําว่าสุขตินั้นเป็นคําพูดที่พูดกันมาก่อนเราพุทธเจ้าเรายัางไม่เกิดอาตจมาเชื่อว่าเป็นคําเก่าแก่มากพร้อมๆกับคําว่านิพพานพร้อมๆกับคําว่าอรหันต์พร้อมๆกับคํ า, า, คาหาล่มมัก ทั้งหมดนี้เป็นภาษาชาวบ้านที่พูดกันธรรมดาธรรมดาในสมัยก่อนพุทธเจ้าเกิดสุแปลว่าดีว่างามว่าง่ายคติแปลว่าไปหรือแปลว่าถึงสุตัคติรวมกันข้าเป็นโสคติแปลว่าไปดีไปงามไปง่ายไปสะดวกไปสบายไปถึงดีไปถึงงามไปถึงง่ายไปถึงสิ่งที่สะดวกสบายมันตรงมกันข้ามกับคําว่าทุกคติทุแปลว่าชั่วแปลว่าเลวแปลว่ายาก คติไปแบบไปหรือว่าไปว่าถึงคู่คติก็ไปแบบไปโลไปสู่ที่เลวไปสู่ที่ยากลําบากไปสู่ที่เดือดร้อนไปถึงสิ่งที่เลวทรามไปถึงถึงสิ่งที่ยากลําบากไปถึงสิ่งที่ชั่วเมื่อเราประสบคติอย่างเราไปทําบุญสุนโทรภารานไปประกอบพงงามความดีไปประพฤติทาไปปฏิบัติทำไปบวชจีบานไปนั่ก็ตางที่เราไปสู่สบคติ พราะไปสะดวกไปสบายไม่ต้องอย่านเจ้ย า, าย่านนายมาจับเขา้าคุกเข้าตารางหน้าตายิ้มแย้มแกมใสจะไปทอดผาตาทอดกาถินรถตำรวจตั้งดาเนิเนก็ยิ้มชื่นใจเขาบอกไม้บอกมือขอตรวจก็ยิ้มตรวจไปทอดกาถินครับไปทอดผาตาครับไปทําบุญครับเออตำรวจขึ้นมาตรวจก็ไม่มีอะไรเราก็ยิ้มพอใจให้เขาตรวจเขาก็ยกมือไหว้โดยสาทุโอนุโมธนาขอให้ท่านจงไปด้วยความปลอดภยัยนะครับไอปลอดภยัยนั่นก็คือสุขติเหมือนกัน แต่เพียงจะเปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองถ้ า, าว่าไปก็หมายว่าไปดีไปงามไปง่ายไปสะดวกไปสบายเข า, าพอที่เราไปสู่สุขติจงดีใจเพราะว่าคําว่าสุขตินั้นเป็นคําพูดที่พูดกันมาก่อนพระพุทธเจ้าเรายังไม่เกิดอาจจะมาชื่อว่าเป็นคําเก่าแก่มากพร้อมๆกับคําว่านิพพานพร้อมๆกับคําว่าอรหันต์พร้อมๆกับคํำว่ามรรคทั้งหมดนี้เป็นภาษาชาวบ้านที่พูดกันธรรมดาธรรมดาในสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเกิดสุ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 สุขคติก็ปแบบปลว่าไปโลไปสู่ที่เลวไปสู่ที่ยากลําบากไปสู่ที่เดือดร้อนไปถึงสิ่งที่เลวทรามไปถึงถึงสิ่งที่ยากลําบากไปถึงสิ่งที่ชั่วเมื่อเราประสสุขคติอย่างเราไปทำบุญสุนทรภ า, ารหานไปประกอบคผลงานความดีไปประพฤติทำไปปฏิบรรัติทําไปบวชจีพนไปนั่งขดตามถึงว่ า, าไปสู่สุขคติ เพราะไปสะดวกไปสบายไม่ต้องอย่านเจ้าย่านนายมาจับเข้าคุกเข่าตะรางหน้าตายิ้มเย้ยแจ่มใสจะไปทอดผาตาทอดตาถิาาาถาารนรถตำรวจตั้งด่านเห็นก็ยิ้มชื่นใจเขาโบกไม้โบกมือขอตรวจก็ยิ้มตรวจไปาาทอดถิ่นครับไปทอดผาต า, าครับไปทําบุญครับเออตำรวจขึ้นมาตรวจก็ไม่มีอะไรเราก็ยิ้มพอใจให้เขาตรวจเขาไปยกมือไหว้โดยสาทุโอนุโมทนาขอให้ท่านจงไปด้วยความปลอดภัยนะครับ ไอปลอภัยนั่นก็คือสุขคติเหมือนกันแต่เพียงจะเปลีป่ยนชื่อเท่านั้นเองถ้าปลอดภัยก็หมายความว่า ไ, ไปดีไปงามไปง่ายไปสะดวกไปสบายอย่างนี้เรียกว่าไปสู่สุขคติแล้วใจเราก็สบายได้ทดําตีกลับมาก็สบายคิดถึงคุณงามความดีเมื่อไหร่ก็สบายใจถ้าสมมติว่าเราจะเอาเฮโรอีนเอาฝิ่นเอากัญชาอาวุฒสองขามไปขายหรือไปลักงวนลักควายเขาควา ย, วายไปรถไปนั่นมันไปสู่ทุกขคติไปสูขข่ความยากความลําบากความเดือดร้อนในใจตลอด ตำรวจตั้งด่านจะตรวจหน่อยแม่เอากัญชาซ่อนไว้ในรถเอายาฝิ่นซ่อนเอาไวเ้เฮโรอีนอาวุธสงครามขาสั้นปากบางออกมาบ้างมาปาเพื่อไล่ใครหยดกลัวจะตายดีบดีจอรดรถโดดวิ่งดีซะก่อนนั้นมันลำบากเรียกว่าไปสูทุกข์คัิเพราะฉะนั้นอย่าได้เข้าจัาวัดตายแล้วจึงไปสู่สุคติพู้เทวดาจึงอวยพรให้การขอให้ท่านจงไปสู่สุคติในสู่สุคติของเทวดาก็คือได้เกิดเป็นมนุษย์ พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ต้องมาตัดประรู้ในเมืองมนุษย์ยังไม่ประกบ ว, ว่าพระพุทธเจ้าตัดสรู้บนสวรรค์พระวรรคทั้งร้อยตรงมาเกิดในเมืองมนุษย์แล้วที่แน่น ใ, นใกล้ก็มาเอกที่ไหนมันลาบากหน่อยมันก่อให้เกิดความไม่ประมาทต้องทำความเพียรพระพุทธเจ้าทุกองคตัส ร, รู้ใต้ร่มไม้กลางพื้นดินในป่าพระอรหันตุทุกองค์ตัดส ร, รู้กันบรรลุธรรมกันอยู่ในป่าในกระท่อม ในน้อยเดี๋ยวนีาา้พระอรหันต์สมัยยุคคอมพิาวเตอร์อวกาศนีต้องมีกุฏิปูโมเสตหินอ่อนคฤหรือหาดใหญ่แข่งกับเทวดาบนสวรรค์คงจะตัดสู้กันอยู่บนกุฏิหินอ่อนที่ติดแอร์ปรับอากาศมันทีดกันมันสวนทางกันนะหรืออาจจะตัดสู้กันอยู่ในรถเก๋งรถเบนท์ทำใหญ่ๆอย่างส บ, บายเทวดา พระพุทธเจ้ากล่าวว่าไม่ได้ดีดยกว่ามนุษย์เลยแต่พวกเรานั้นตระหนายิ่งนะทำใมเทวดาจึงให้พรกันให้ได้บังเกิดในเมืองมนุษย์ให้ได้พบพระพูดประทําระสงให้ตั้งอยู่ในศีลในสถาา ม, มากมากและจะได้มาเกิดเป็นเทวดาด้วยกัน เมืองสวรรค์เราจรึงจะตกตะ น, นานโตเถื่อนต่อไปเพราะในเมืองสวรรค์ น, นั้นไม่มีประพุทธพระธรรมพระสงค์ให้ได้ยนิยนปัญญาดอดยอดตามีแต่เรื่องมีหลวงเป็นร้อยเวียน้อยเป็นพันนางอัปสอมบริวารเป็นหนมื่นหมืน่นคางเหลืองเข้าแต่หอวลอตา ม, มาอยู่นั่นแล้วตายค่าทำํำเห็นถ้ำพระเจ้ากาวใ น, นเมืองสวรรค์ น, นั่นแล้ว ในเมืองสวรรค์มีแต่เรื่องเอาออกเอาใจมีแต่เรื่องสะดวกสบายไม่มีเวลาที่จะมาคิดถึงเรื่องเส็จเรื่องธรรมเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแบบมีเวลาที่จะมาคิดถึงวันนี้คือทุกข์เขียนให้เกิดทุกความปฏิบัติเพื่อดับทุกการดับลงแห่งความทุกข์ไม่ได้สนใจใครจะเทศในฝั่งเมืองสวรรค์เกือบอย่างไม่สนใจเพราะเรื่องการมาหมมันเข้าหูเข่าตาเข้าปากเข่าจมูกกันหมดพอเวลาจะตายดอกไม้ที่เหี่ยวแห้ง มาลานีลายันติตาตุพวันติน้อกไม้ที่เปลียวแห้งแล้ววัดธานีอุปกฤรสามีเสื่อผาอะไรเศร้ามอนไปหมดแล้วกระเทยหิเสทามุด จ, จันติเหือออกจั ก, กรเลแล้วเทวดาจะจัตายเหือออกจกักรเล่เสื่อผ่าเส้ามองหลังจากนั้นก็นทีนั่งดีนอนร้อนรนกวนกวาดไม่เป็นอยู่เป็นสุขแล้วก็ผิวพันธ์ อืที่เคยผุดผ่องกับเศร้ามองที่นี่เทวดาบอกแกตายแม่นี่ยรู้กันตรงมาอวยพรในการอวยจะตายแล้วให้ได้ไปเกิดคูทุกกติเด้อวัดท่นทุกกติแล้วให้ได้พ่อหลาบอันประเสริฐเด้พอพ่อหลับแล้วให้ตั้งเจ้าตั้งอยู่ดลตายแล้วจเสด็จมาเกิดสวรรค์น้ากันอีกเด้อวัดท่น มีผู้ประเทนีของเทว ด, ดาที่จะอวยพรให้กันสามา น, นีิพุตเจ้าว่าวัจมานะโสเสียงของเทว ด, ดาดังขึ้นสามสมัยอย่างนี้อวยพรให้แก่กันแล้วทําไมจึงเป็นอย่างนั้นในเมืองสวรรค์มันไม่ดีพระพุทธประธรรมมันก็เลยไม่มีราบอันเปรศไม่มีใครมาบอกให้การ ก, กระทํำสมาธิภาวนาทําอย่างไรมีแต่จ ะ, จะเข้าหอลาะกามาทะเลาะเบาแวงกันนะเทว ด, ดาทะเลาะกันแย่งตามกัน แต่มีคํากล่าวไว้ในคมภีร์ของผามว่าเมื่อเทวดาตนหนึ่งมีปราสาทมีวิมานมีดินแดนติดกันพอนางเทพพบุตรตายจากมนุษย์จิตธรรมดีไปเกิดอยู่ในแดนปรากฏอยู่ในแดนวิมานขององค์ใดก็เป็นบริวารขององค์นั้นอัปสวรองค์นั้นเป็นเมียน้อยองค์นั้นต่อไปทีนี้นมีอยู่ครั้งหนึ่งนางเทพอัปสรองค์นั้นปรากฏขึ้นเมื่อจิติจากมนุษย์เราไปเกิดขึ้นที่นั่นแต่ไปเกิดอยู่ในระหว่างกลางแดน กลางแดนระหว่างเทพบุตรสองตัวใหนที่สุดก็ทะเลาะ ก, กันตกลงกันไม่ได้ใครก็จะเอาพระวรรนางนี่ไม่ได้เกิดอยู่ในที่มันสมบูรณ์มันเกิดอยู่ระหว่างต่อแดนกันคนรู้ก็จะเอาคนนี้ก็จะเอายืดยุทธ์ุดกันชักทะเลาะ ก, กันนี้ขนาดว่าเทพดานนะจัด่าวไปใหญ่คนธรรมดาสาวสวยสวยสหฮ่าคาเรีงมาลยเกิดขึ้นมาแล้วก็แย่งกันตายล่ะทีนี่ไม่รู้จะเป็นสิทธิของใครมันเกิดอยู่ท่ามกลาง ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาก็บอกว่าอย่าทะเลาะกันเลยเราไปหาหัวหน้าเราดีกว่าคือพระอินนี่ในคำพีบามก็บุ่งเงี้ยไปถึงพระอินเข้าแหมพระอินมองตั้งแต่ตีนตรวหัวมองด้วยแต่หัวยันตีนพระคนไม่จับประคนเ อ, อ้ยเหมืนอนหยาดดินมาฟ้าแต่นี่จะหยาดฟ้ามาดินสวยเชิงว่าะอะไรเช่นนี้เซเลนเดอร์อะไรเช่นนี้ไม่เคยพบเคยเห็นในสวรรค์ชั้นนี้ยังไม่ตานเธอเนี่ยความรหนัดในการเริ่มบีบคั้นจิตใจของพระอินผู้เป็นหัวหน้า ทั้งสององก็ทะเลาะกันค่าแต่ท่านจอมเทพหัวกับผมทะเลาะกันตกลงกันไม่ได้เพราะนาง น, นี้เกิดอยู่ในดินแดนเขตติดต่อกันระหว่างวิมานของกับผมสองสององค์นี้แต่นางหันหน้ามาหาทางของผมมันน่าจะเป็นของผมนะครับคนบอืนว่าจะหันหน้าหาหลังก็าตามแต่วัดดูแล้วมันอยู่ในเขตของผมมากกว่าคนจะเป็นของผมไหนจุดทะเลาะกันพ่ออินบอกเออหยุดหุดได้แล้วอย่ายทะเลาะกันไหนเขาถามหน่อยสิไอ้เมื่อแกเห็นครั้งแรกรู้สึกอย่างไรกับนาง เทวราตนแรกบอกว่าแหมไปจบปะบอกคนเอ้ยพอเห็นนางเนี่ยจิตใจของผมอ่ อ, อนัวเปียกเลยเหมือนกีพึ่งลนไฟจะตายซะให้ได้ผมนอนไม่หลับตัง้งสามสี่วันตัง้งแต่นางปรากฏขึ้นตรงนี้ควรจะให้ผมนะครับผมทรมานทราการแล้วเธอหลัาถฐานองต่อไปข้าแต่เทวผู้จอมเทพ เพียงเดีแว๊บเดียวที่ผมได้เห็นนางเทะานั้นเสมือนหนึ่งคมดาบเสียบตรึงไว้กลางดวงใจเหมือนหัวใจแทบจะแตกสลายไม่เป็นิ้นชิ้นเป็นอันเห็นที่จะต้องตายให้ได้อย่าว่าแตนอนไม่หลับเลยกิ้โพวกเก่งไม่ได้เห็นแต่ใ บ, บหน้านางควรจะให้ผมซะแล้วครับผมหายใจเป็นนางจริงจริงได้โปรดเอถอพระนได้ยินนนั้นเราบอกว่าพวกเธอทั้งสองอย่างชั่วฉันเพียงเห็นนางแวบ๊บเดียวเท่านั้น ฉันมันจะสิ้นใจตายในขณะนี้ทำไมเลยนางตายแน่แน่สวรรค์นี้จะต้องเป็นนรกทั่วพริบตาเลยเอาเถอะพวกเธอ ย, ยังพอไหวขอให้ฉันตัวแบ่นี้นฉันจะตายก่อนใครนี่ถ้ระยามาพระอินทร์ก็เลยง่าจะก่อนเขาเลยลักษณะนาเจนีบง่งบอกถึงความศกปกรา์ ล, านลบนสวรรค์พระพุทธเจ้ายังบอกว่าภิกษุใดก็ตามประพืชปฏิบัตบิธรรมเพื่อให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดานในสวรรค์พรหมจันท์ของผู้นั้นยังเศร้าหมองอย่างวยว่อหั่อนเลย ถ้ิสุทธดประพฤติปฏิบัติพรมอาจารย์ทำความเพียรภาวนาคอยดี๋ยเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงยามาลุศานิมาติปรนิปรสวรรค์ดีหกเจ็ดชั้นที่พันเอกเสนอไปเห็นกันยังเป็นเรื่องขี้ผงสำหรับพระสงองค์แก่บู้ทำความเพียรอย่างนั้นพุทธิยถาท่านกล่าวว่าไม่ถุนสังโยยังผููภูพันด้วยการเสพกามผู้เป็นการประพฤติพรมจารย์ที่ละลวงแประพฤติพรมจารย์ที่ยังไม่ละการเป็นมุตีผู้หลวงโลกนะเห็นไหม เพราะฉะนั้นในสวรรค์จึงไม่มีอะไรดีไปเกินกว่ามนุษย์แต่พุทธเจ้าว่าในสวรรค์ดีกว่ามนุษย์สามประการหนึ่งมีความสุขทิพย์สมีวันนะทิพย์สามมีอายุทิพย์คือเอาร้อยของเราไปคูณนั่นแหละเราหนึ่งวันเทวดาบนสวรรค์อหนึ่งวันเท่ากับเราร้อยวันมันคูณกันด้วยร้อยมันก็ยิ่งหลวงไหลหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเทวดาจึงอวยพรกันเจ้าได้ไปสู่สุกติเด้ออไปหอดสุกติแล้ว ให้เจ้าได้เห็นลาภันเปเสริญเพราะลาภันเปเสริญจะตั้งอยู่ลาภนั้นน่ะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกภิสุทธิ์พ่อพิสุถามว่าอะไรลูกก็มมนุษย์จะตายก็อวยพรให้กันไปสู่สุคติวันสวรรค์เทวดาจะตายอวยพรให้ไปสู่สุคติที่ไหนอีกอะไรเป็นลาภันเปเสริญอะไรเป็นการตั้งอยู่ในลาภของเทวดาพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าบอกว่าเกิดเป็นมนุษย์นั่นเป็นกิจที่แสนยากเป็นความปรารถนาของเทวดานี้แหละเป็นสุคติของเทวดาการได้พบ ในแผ่นดินที่เกิดมีพระพุทธประธรรมประสงค์เหมือนประเทศไทยที่ฝรั่งกําลังด้านด้นมาศึกษาเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นเรียกว่าลาบอันเสริฐการที่ตั้งอยู่ในลาบอันเสริฐคือมีอาจารย์ัทธาตั้งมั่นไม่มอนเงี้นคลอนแฉนในพระพุทธประธรรมประสงค์มีสิ้นสมาธิปัญญามีศรัทธาประกอบสร้างความคุณงามความดีเชื่อมั่นในชีวิตในการกระทําของตนเองเป็นอันว่าปิดประตูอบายที่จะไปตกในนรกเป็นเปรอสุรกายเสเดชา พระพุทธเจ้าท่านยังเคยพูดอีกอว่าว่ารู้ก่อนได่สุดทางหลายเทวดานั้นเมื่อจุติแล้วได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีน้อยเหมือนกับขี่ดินอยู่ในเล็บของเราแต่ส่วนมากเทวดาตกในรลกเหมือนดินทั้งหมดนี่ในแผ่นดินเนี่ยพอเทวดามัวประบาดดังเก่าแล้วเดี๋ยวนี้พวกเราได้เกิดในประเทศไทยแล้วนะเราทั้งหลายได้เกิดเป็นมนุษย์ตาไม่บอดหูไม่หนวัวไม่ห่อยเปียกเสียขาไม่เป็นคนพิกลพิการมีไร่มีนามมีสวนปอสวนมัน มพออยู่พอกินนี่แสดงว่าเราได้เกิดในสุขติในหมู่มนุษย์แล้วแต่ท่านได้รับอันประเสริฐหรือยังดินแดนนี้มีพระพุทธธรรมพระสง์มีพระสององค์จำมีครูบาอาจารย์สังซ้อนบาปุญคุณโทษประโยชน์มใชัยประโยชน์ประกาหโลกนี้โลกหน้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ่งเจิงรู้จากบาปุลคุณโทษท่ทานเชื่อบ้างหรือยัง ท่านยังไม่เชื่อก็แสดงว่าท่านไม่ได้ราบอันประเสริฐท่านเถียงเกิดมาในหมู่แห่งนั้นที่เป็นสุคติถ้าท่านเชื่อแล้วมีศรัทธามีสิ่ประพฤติคุณงามความดีในวันพระวันเจ้าเช่นนี้นี่แสดงว่าท่านตั้งอยู่ในราบนี้นานๆแล้วท่านก็จะต้องปิดประตูอาบายไม่ต้องไปตกนาลกเห่งห่ายดอกเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าได้ประมาทในวันพระมาถึงแล้วเราตาไม่นวัวเ่าหูไม่บอด เราหูใหม่หนวกเราตาใหม่บอดใหม่หอยเปียเสียขาไม่เป็นคนพิกงพิการยังพออยู่ได้ประพฤติเถิ ด, ดคนงามความดีไม่ไปวัดความดีที่บ้านอย่างนี้พ่อมีทั้งคนแม่มีทั้งคนตั้งอกตั้งใจเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เคารพพ่อแม่เคารพครูบาอาจารย์เชื่อถือสมณพาู้ประพฤติปฏิบัติดีมีโอกาสก็ทําบุญทําทานขัดเกลาความโลภในจิตในใจออกจากจิตจแก่บ้างก่อนดี จงเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตอนเด็กๆพ่อแม่เลี้ยงเราเหมือนลูกแต่พอแก่พ่อเท่าจิตใจของผู้เท่ามันกลับคืนเป็นเด็กใหม่เราก็เลี้ยงท่านเหมือนท่านเป็นลูกเราพ่อแม่ตาบอดหูหนวกเป็นโอกาสเป็นโชคดีของลูกมากๆที่จะได้เลี้ยงดูจะได้รังเกียรรังงอนเห็นคนเท่าคนแก่โง่เซอะงมงามท่านจะเป็นบาปเป็นกรรมมากที่สุดเลยเพราะว่าพ่อแม่นั้นเป็นผู้มีบุญมีคุณ คนบราลนบอกว่าค่วมปากพอ่อแม่ น, นักเก่งตระณี่ไปบุญโยงยิ่งนบหักเสียดเมื่อนาอย่าได้ว่าอาจารต่านซ้องเขือน้าตาลังบาป ท, ท่อฝ่าเว้นกัมท่อแผ่นดินเดี๋ยวนี้พู่กับพ่อกับแม่กโ็โชคโขงหากพอบานเสียมขุดอุดจาระแต่พู่กับคนอื่นดีแท้เจ้านายครับนายขับอย่างโน่นอย่างนี้เลียแย่งเลียขาคนอื่นนั้นดีแท้พู่กับพ่อกับแม่ก็โชคโขงหากร้องหอบร้องไห้ พระพุทธเจ้าเลยบอกว่าท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบนี่ทําได้ในท่านมีชีวิตอยู่ท่านมีชีวิตเราจึงเลี้ยงท่านได้ถ้าท่านตายแล้วเราจะเลี้ยงท่านได้อย่างไรสองเชื่อฟังคําสั่งสอนสามประพฤติตัวเหมาะสมดํารงวงตระกูลสี่ทำกิจของท่า น, นห้าเมื่อท่านล่วงหลับไปแล้วทําบุญอุทิศให้แก่ท่านหน้านี่หน้าแห้งข้าวขึนน้นนาป่าขึ้นบ้านเป็นโอกาสที่จะทําบุญทําทานแก่ข้าวให้แก่พ่อแก่แม่แก่พี่แก่น้องให้เลึศกันมากๆ อย่าไปแก่ข้าวให้แต่โทรทัศน์ให้แต่มวยตู้แก่ข้าวให้แต่เลขรัฐบาลไปหาคูบาอาจารย์ดังๆันซื้อแต่เลขแต่หวยแก่ข้าวชนิดน้ำมันเก็บไพ่ไวยวยอดเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นให้รีบสร้างกุญงามความดีพ่อแม่ของเราแก่เท้าแล้วนี่จิตใจกลับนะ่าจะไปพูดจารุนแรงให้แก่ท่านบางทีนี่พูดไม่น่าโกรธท่านก็โกรธไม่น่าเกลียท่านก็เกลียร้องห่มร้องไห้เพราะลูกพูดเพียงคำสองคา เขามาเหลียวใจเบาห่ห ง, งายใจดีท่อหมักฝ่ายใจหายท่อหมักตูมเรื่องตือพุ่มพุ่มปล่อย อ, อัโอนหลานแต่ก่อนไก่หนาว่าท่านได้หลังกลุมปล่อยตั้งแต่หลานย่าไปถือตัวกดเคลื่องท่านแก่มาแล้วใจเบาเขี่ยงหงายเหมือนกับเด็กเดกเราก็ถือว่าบัดนี้เป็นโอกาสดีมันกลับกันแต่ก่อนเราเป็นลูกของท่านบัดนี้ท่านเสมือนลูกของเราตั้งใจเลี้ยงบางคนเลี้ยงกายนั่นมันก็พอเลี้ยงได้ดอก อาหารหวานข่าวดีๆอยู่ที่ไหนเอาไปให้พ่อให้แม่กินบางคนลูกหนีเยอะพอแม่จอนจัดไปอยู่กับลูกคนโน้นไปอยู่กับลูกคน น, ค น, นี้ปล่อยให้พ่อแม่ไปไปอยู่คนโน้นดีแล้วเราไม่ต้องรับผิดชอบวันที่จะแย่ ง, ยงกันด้วยซ้าแม่เอ๋ยพ่อเอ๋ยมาอยู่กับหนูเถอดมาอยู่กับผมเถอดพ่อแม่อย่าไปอยู่ที่โน้นเลยให้ผมได้บูชาได้เลี้ยงดูได้ตอบบุญแทนคุณได้อยู่ใกล้ชิดคนแม่คุณพ่อเถอดอย่างนี้อันนี้ทําแม่พ่อหนีจากบ้านไปอยู่บ้าน พี่ชายบ้านน้องสาวบ้านพี่สาวคนอื่นอสบายใจว่าก็าเป็นนั้นบางคนยุให้มียเยลียดัางพ่อแม่บางคนก็ยุให้พ่เยลียดทางพ่อแม่ของตนเองอะไรต่างๆมันทำไม่ถูกอย่างนั้นนะมันฉีปลายวายบดเลี้ยงตายของท่านด้วยอาหารหวานข่าวเสื้อผ้าที่โยต์ที่อาศัยงัวออกลูกน้องงงูแซ่บแสบเลยคือถอดอีเมร์ด้วยวันนึ่งเด้วิญญ่งเอาไปให้อย่างนี้เดีลย ว, ว่าเลี้ยงตาย เลี้ยงใจของท่านด้วยอย่าไปเลี้ยงเพียงกายไอเลี้ยงกายพอเลี้ยงไหวเลี้ยงใจนี่สิยิ่งลําบากกูจ้าก็โชคโง่ห่าใครท่านร้องหอม่มร้องไห้เสียใจนั่นไม่ได้เลี้ยงใจแล้วยังทําลายน้ําใจจุดไฟเผาจิตเผาใจของท่านให้เล่าร้อนบาปนะตกนรกเป็นๆ เ, เดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวลูกของเราก็จะเป็นอย่างนี้ บางคนผู้จากระโชคโคกห่างไม่กำเ น, นิดถึงจิตใจของแม่เอาใจแต่เมียเอาใจแต่ผัวในที่สุดแม่ร้องไห้โอ้ ย, อยกูอยากตายนี้จากเขาเด้อสันเตแห่งเลี่ยมปูปลาเสียนตอนเลี่ยงไงแล้วกุ้นเถาบะมีอีเ่านี่มันแก่แล้วมันตำหมาตัวนึงเขาไปได้เบิ้งได้แย่งอยากตายนี้จากเด้อนี่พอแม่ร้องไห้แล้วน้ำตาหลั่งไหลออกมานั้นบาปไมนั่นอ่ะเศ้าใจสักขนาดไหน เลี้ยงมาตั้งแต่อยู่ในท้องนู่นตั้ยังไม่เห็นหน้าถือพาคาท้องออกมาตีนเท่าฝ้าหอยตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่จ้แต่เล็กจนโตตั้งแต่ยังแดงแดงจนป่านนี้หนาวหนาว ห, หาผ้าหม่มอุ่นๆให้ท่านต้นมน้ําร้อนไอ้กันอาบบ้างแม่เอ๋ยอากาศหนาวหนานี่มันอาบไม่ได้ต้องอาบน้ําร้อนนะแม่อาจจะปล่อยไว้มร่างกายมันจะได้สะดกสบายอันนี้ไปอาบน้ําร้อนให้ไก่ตีไก่ชนเข้าไปโน่นรักไก่ตีไก่ชนยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่รัก มวยตู้รักโทรทัศน์ยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่ไม่ดูแลไม่สนใจอย่างนี้บาปจิบหายใบบอดจาไว้ให้ดีเท้าจะตุโรคกระบาลต้องมาหมายหัวจดบัญชีเอาไว้ตานี้ตรงรูปนี่ ร, นนรูปพ่อและม่สําคัญมากนะในเทวรูปสู่บริปัน้าไม่จะมานการประเถีดอกเล่มที่สิบสี่ข้อที่ห้าร้อยสี่หน้าที่สองร้อยแปดสิบห้าเมื่อคนตายเรานายนิรยบาลก็จะนําคนนั้นไปหายพยาดมว่า นี่ท่านผู้เจริญศักนี้มนุษย์นี้ไม่เลี้ยงพ่อไม่เลี้ยงแม่ไม่เคารพภูบาอาจารย์ไม่เชื่อฟังสมณะพามไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ทำบุญทำทานอะไรเลยปัมมาดอยู่ด้วยกายวาจาใจเพราะฉะนั้นผมจะเป็นจะต้องเอาเขาไปสุนรกนี่เอาพ่อแม่ขึ้นหน้าเลยนะไม่เชื่อไปเปิลูกเสร็จแล้วพญายมท่านก่อ ปากหวานสันเหล่านั้นกลัวจะตนกนะร้องร้องให้เหมือนพันเอกเสน่หไปเห็นมาเล่าให้ฟังว่าร้องให้น้ำตาเป็นตายเลือดมีแต่เสียงกำชับบังคับบัญชาให้ไปตรงนู้นไปตกรงนี้ลงทโทษร้องให้เพไม่ได้ทำบุญเอาไว้แล้วพระยาหยามก็ปลอบใจถ้าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าพ่อเอ๋ยพ่อมหาจำเริญแม่เอ๋ยแม่มหาจำเริญ จ, จะได้ร้องห่มร้องให้ไปเลยไปรับกรรรับเวรเจ้าเป็นมนุษย์นั้นนะ่ะ จะเห็นเทวทูตไหมไม่เห็นจะเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายไม่เห็นแล้วเจ้าคิดอย่างไว่าตนเองจะเกิดจะแก่จะเจ็บจะตายเหมือนคนที่เห็นอยู่ดีไหมไม่เคยคิดเพราะมัวประมาทอยู่เมื่อเจ้าไม่เคยคิดเจ้าจึงไม่เลี้ยงพ่อไม่เลี้ยงแม่ไม่เคารพครูบาอาจารย์ไม่บูชาสมณภาพมไม่ทําบุญตักบาตไม่ฟังธรรมจาศีลประพฤติที่ยวโดยกายวาจาใจโอ้พ่อเอ๋ยพ่อมหาจำเริญแม่เอ๋ยแม่มหาจำเริญ เจ้าพอประมาทอยู่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่นอนไม่ใช่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่สมณาพไม่นจะเทวดาฟ้าดินจะเอาเจ้าลงสูอ่อะโลค้างแต่เป็นกรรมชั่วดีแกทําเองเจ้าทําเองไปเถิดเราช่วยไม่ได้วันแล้วก็ไปลงนรกเลยแต่ถ้าไปเจอคนดีโ อ, อคนนี้ไม่ประมาทเคารพเชื่อฟังพ่อแม่เลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดู พ่อเลี้ยงดูแม่อย่างดีเคารพครูบาอาจารย์เชื่อฟังสมณาพาหมณฟังธรรมจำศีลตักบาตรทำบุญเออไม่ประมาทด้วยกายวาจาใจเมื่อเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็เห็นว่าเราก็จะตายอย่างนี้เอวังพาวีเอวังอนันติโตนี้สภาพเช่นนี้ไปไม่ได้เราจะเป็นเช่นนี้เราจะตายเหมือนกันหันทา่าหังกัล ย, ลยาณ์ได้โอมีกาเยนวาจามนาาัสสาเอาเธอเราจะรีบทําคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก่อนที่เราจะตายไปเลยรีบสร้างคุณงามความดีวันนี้ ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่เทวดาฟ้าดิงดมพบาลไหนจะเอาเจ้าขึ้นสวรรค์ฮะแต่เป็นกรรมดีที่เจ้าทำํำแล้วจะนําเจ้าขึ้นสวรรค์ไปเถอดเอาแกไปสู่สวรรค์ไปบันเทิงสุกติงโลกังอุปจตัไปเกิดในโลกสวรรค์ในโลกติเถอดเนะี่ขึ้นต้นจะต้องพูดถึงเรื่องพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตลอดเลย พวกเรามีพ่อมีแม่ด้วยกันท่านนั้นอย่ามองข้ามพ่อแม่เป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีเอาเอ า, เอาใจเลี้ยงกายท่านแล้วก็เลี้ยงไก่หันจะให้ดียิ่งกว่านั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าทาน่นตายไปแล้วทำบุญเอาเทสให้แก่ท่านยิ่งไปกว่านั้นท่านทำให้เราเกิดได้เราก็สามารถทำให้ท่านเกิดได้ อย่างสมมติว่าพ่อแม่เป็นคนชั่วกินเหล้าเมายาเล่นไพ่เล่นเฮโร่ซื้อเตลเลขแต่หวยแล้วศึกษาคุณทําประพฤติทําดีๆช่วยสอนพ่อสอนแม่ให้กลับเนื้อกลับตัวกลับหางกลับหัวกลับชั่วเป็นดีอย่างนี้ก็เรียกว่าปิดประตูอบายไม่ให้พ่อแม่ตกนรกเหมือนเชิญขึ้นไปไวบนสวรรค์กุลระบรกุร ณ, ลณลาลีได้เอาพ่อแม่มานั่งบาสองข้า ง, งให้ขี่ราดเยียวรถทุกวันให้กินข้าววันละสาเวลาอาบน้ําวันละสาเวลานวดเส้นถือว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างยิ่งแต่ก็ยังไม่สะสอาด คุณระบุใดกคุณนาเลยได้สามารถทำพ่อทำแม่ที่ไม่มีศีลให้มีศีลไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาคุณระบุคุณนาเย น, นเหมือนเชิญพ่อเชิญแม่ก็ไปตั้งไว้บนสวรรค์ เป็นคําพูดที่ลึกซึ้งมากํายังไงพ่อแม่จะมีสธาในประพุทธประธรรมประสงธรรมยังไงพ่อแม่จะมีสติแม้ในตัวเราเองก็ยังไม่เคยมีมันจะช่วยได้อย่างไรเวลาคนตายแทนที่จะไปโปงอนิจจังสังเวชดู้เทวทูตว่าเราจะตายอย่างนี้ได้ยินเสียงตุลณีกันแสงเน่งเน่เน่ง่งเ่งเนถือถ้วยไฮโลไปโล่ต้องการให้ตายวันละสามคนวันละสิบคนเล่นไฮโลทั muscle, will will ้งปีทั้งชาติ ตายไปนคนหนึ่งไปเล่นไฮโลก็ไปสามวงสี่วงตํารวจก็ไม่จับไปให้ผีหัวเราะไม่ได้ไปให้เกียรติไปย้ยไปยันคนตายแท้ๆแล้วสถามีเมืองไทยถึงชิบหายหวายบวดกันหมดแล้วน่าจะต้องมาคํานึงคานวนกันถึงสิ้นถึงทำกันให้มากๆขึ้นพ่อแม่กําลังเดียวดายเดีย๋ยวนี้จนเมืองไทยได้เกิดมีวันแม่วันพ่อกันมาซึ่งมันไม่เคยมี นี่จะเมืองฝาหลังเขาปล่อยพ่อแม่ไว้ตามกำตามเบนจนรัฐบาลต้องจัดในคมคนแก่เอาพ่อเอาแม่ไปไว้่างนานๆลูกก็ไม่เคยไปเยี่ยมทั้งปีทั้งชาติพ่อแม่ต้องไปอ้อนวอนรัฐบาลให้หยุดงานให้ลูกได้เกิดวันแม่วันพ่อขึ้นมาให้ไปเยี่ยมป่านนั้นมันก็ไม่ไปอยู่แล้วก็ไปกินเหล้ากินเบียร์พวกเราเดี๋ยนี้ก็มีวันแม่นะใครมันกําลังจะปล่อยพ่อแม่เดียวได้มันต้องมีทุกวันพ่อแม่ไม่เคยบอกว่าวันลูกไม่เคยว่าเลี้ยงลูกตลอดปีตลอดชาติ เดี๋ยวนี้หน้าร้อนมาถึงแล้วเอาพัดลมเอาน้าเย็นๆไปให้พ่อแม่อาบจะดีไหมเสื้อผ้าดีๆเอ้ยอาบให้กอยในแม่แมเอยนุ่งให้ก่อยเน่พอกเอ้ยเย็นบพ่อเย็นบอแม่อาบได้ไหมล่ะอาบให้พอให้แม่ พอแม่อาบนะ้ําใหเราเป็นหมืน่มนๆรั้งป้อนข้าวใหเราเป็นเส้นแสนคำอาหารดีๆป้อนเพื่อบึงใดเพราโอ้ยกินใหไดนไหมเแสบอ่อแม่พอร้องไห้ออกมาเพราะความดีใจพ่อแม่กินคําเดียวก็อิ่มดอกอิ่มอยู่ในใจเพราะว่าลูกนี่ดีแท้ๆลูกเต้าสมัครสมานสามเคืีกันคานตามกันมาตัดหัวอยันเหยียบหัวอยันตีกันออกมาไม่เห็นทะเลาะเบาแว่งกันพ่อแม่อิม่มเข้าในอกในใจ ไม่ได้กินก็เอยงแต่ลูกเต่าเฮ่แต่กันเหมือนหมากับแมวทะเลาะกันดูหน้ากันไม่ติดรอยลูกเอ้ยหมากับแมวก็ยังเลี่ยงใส่กันเถือกันได้ตาใส่ปันกันมาเหยียบหัวยันตีนข้านตามกันมาจังบ่ถือกันนอลูกเนาเผาเจ็บเผาใจพ่อแม่ลูกเต่าทะเลาะกันไม่ถูกกัน เห็นลูกคนอื่นดีหลูลกคนอื่นงามพ่อแม่หิวอยู่ในใจโอ้ยลูกเอ้ยสั่งบดีคือลูกเผินเนาะสั่งผมมีตับมีจีดจิ๊ดเนีใดีดีดดแสบแสบเง้งมเง้มพ่อแม่หาม า, หามาให้เลี้ยงเรื่องไงเล้ยงสั่มาบดีคือเผินนาะพ่อแม่เป็นเปรตเพราะลูกเปรตแต่หิวหิวคุณงามความดีของลูกเห็นลูกคนอื่นดีอยากให้ลูกตนเองดีหิวอยู่ในใจ ถ้าเห็นลูกของตอนเองชั่วพ่อแม่ก็ตกนานโรกตีหัวม้าด่าชาวบ้านผิดบ้านผ่านเมืองต้องเขา่าโคเข้าตะลางพ่อแม่เสียเงินเสียทองไปไถ่ไปทอนขายไร่ขายนาอย่างนี้โลกปุตตะนิรโยะตกนารกพอลู่ในวันพระเจ้า น, นี้ใครเป็นลูกเป็นเต้าก็ช่วยฟังให้ดีๆและลึกถึงบุญคุณพ่อแม่เป็นโอกาสดีแล้วมีพระ อ, อรหันต์มีพระพร อยู่ในบ้านเราพรมมาติมาตรารังปิตโรอรหันได้มาตรารังปิตโรพ่อแม่เป็นพรมของบุตรพ่อแม่เป็นอรหัน์ของลูกพระ อ, อรหันเหมือนแผ่นเดินใครจะกระทืบจะเยียบหัวพระ อ, อรหันตไม่โกรธในโลกนี้ไม่มีใครยอมให้เราเหยียบได้แต่พ่อแม่ให้เราขี่ลาชเยี่ยวรถเยียบท่านตีปาท่านขี่หัท่านตาานั้งแต่ยังเด็กๆท่านไม่โกรธมีแต่รักเรามือนพระ อ, อรหัน์ของลูกท่านเป็นพรม ลูกเต่ามังมีศีรษะเป็นเสถีมหาเศถียรพ่อไม่เคยอิดชาแม่ไม่เคยตาโร้ยแม่มีมุทิตาต่อลูกพ่อยินดียามตกทุกเด้ ย, ย่างแม่พ่อไม่เคยเหยียดยามนี้แต่ไม่ตาอยากจะช่วยลูกกาลุณาสงสารลูกเดออุเบขาลูกทีลาเลี้ยวรถตีหัวตบปากตอนเด็กๆพ่อแม่อุเบกขารักลูกอย่างนั้นอย่างนี้หรือเป็นพมทของลูกเป็นพ่อละหันของลูกคนอื่นไปทําเขาได้ไหมล่ะ ไปขี่าเยี่ยวรถเขาได้ไหมไปขี่หัวตบหัวตีปาท่านได้เหมือนกับเราถับตอนเด็กๆทำกับพ่อกับแม่ไม่ตายเขาเขาตะลางอันนี้พอพี่ยอมได้ท่านเป็นพรมเป็นพระ อ, อรหันต์ของลูกแล้วจะไปหาเทวดาหาพระ อ, อรหันต์ที่ไหนเดี๋ยวนี้ต้องไปหาพระ อ, อรหันต์อยู่ภูนั้นอยู่ถ้ำนี่เมารถกันไปไกลๆ ไ, ไปขอเลขกับพระ อ, อรหันต์ขี่ยาขี่หมากเหล่านั้นไ อ, อ้ย่างนั่นไม่ใจอพระอรหันต์มันอรรมุน หมุนเมีเงินมีมทองหมุนไลยมีเชคมีดาบมีรถเก๋งมีวัดใหญ่โตโตอลักษันแท้ๆอยู่ที่บ้านนีไ่ไงผมไท้อยู่ที่บ้านนี้ท่านไมต้องไปหาพระอลัมุนเหล่านั้นแล้วทําคนงามความดีบูชาคนงามความดีพ่อแม่ของเราท่านเลิ้ยงเามาเลี้ยงท่นตอบท่านสอนเรายัางไรเราทําอย่างนั้น พ่อแม่ไม่เคยสอนลูกเลยไปหากินเหล้าไปหาดมกาวนะั้นลูกนะพ่อแม่ปาถนาอย่างนั้นไปตีบ้านทางเมืองนะลูกหนาะมีไหมไม่มีนี่เป็นการดูถูกเหยียดย่ำทำสั่งสอนของพ่อของแม่เอกด้วยเพราะฉะนั้นในวันพระเช่นนี้ให้ละลึกกันให้มากๆากซักฟอกจิตใจให้สะอาดถ้าหากเราทำชั่วเคยพูดจาจะโชคโค้หักพ่อแม่น้ำตาหลังตาไหลไปเถิดวันพระนี้ เอาดอกไม้ทูบเทียนไปกราบลงงามในปักในเท้าของแม่ของพ่อพ่อเอ้ยแม่เอ้ยค อ, อยด้พิษเด็ ด, ดต้องเจาแล้วคอยบ่งจะเทบจกแดนตาบอดหูหนวกใน ก, กี่ย่าถือโทษกรธเคืองอยาให้ลูกเป็นบาปเป็นจํานะพ่อนะแม่นะ พ่อแม่ดีใจน้ำตาไหลลูกก็น้ำตาหลังเออเจ้าหลงไปแล้วพ่อแม่ไม่ว่าอะไรหรอกลูกเอ้ยบาปกรรมก็เป็นอ่ะโหสิกกรรมอยู่ตรงนี้สิ้นสุดกันมิฉะนั้นมันจะเป็นอุปตระ ก, ะกรรมจะบีบจะขันจิตใจต่อไปเรามีลูกมีเต้าเราทํากับพ่อกับแม่อย่างไรเราจะเป็นเช่นนั้นลูกเต้าของเราก็จะทากับเราเช่นนั้นท่านอยากคิดว่ากรรมนี้บาปนี้มันมีไม่ได้นะมันมีบาปก็มีบุญก็มี น, กกม น, ม น, นะลูกก็มีสวรรค์ก็มีฉานนี่าันน่ะ มันมีเรื่องนั้งนั้นวันนี้ยังมีพรุ่งนี้ยังมีมาวันนี้ยังมีทำไมชาตินี้ชาติหน้าจะมีไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากมันไม่มีจริงๆก็ตงสร้างคุณงามความดีไว้ชีวิตนี้วันนี้วินาทีนี้เป็นคนดีมีความสบายใจพรุ่งนี้มาเลยนนี้ปีหน้าชาติหน้ามันก็เหมือนกันนั้นจงสร้างบรรยากาศแห่งปัจจุบันการให้เป็นบรรยากาศที่งดงามที่คุณงามความดี กลับมาเถิดเยาวยชนกลับมาเถิดเพื่อนร่วมพุทธศาสนากลับสู่มรรควิธีแห่งสึงนแห่งธรรมไม่เช่นั้นบ้านนี้เมือง น, นี้จะเจ็บหายวายวอดแต่อยู่กันไม่ได้แม้แต่ลูกยังไม่เคารพไม่เชื่อฟังพ่อแม่จะต่อสู้อะไรกับคนอื่นที่ไกลห่างกว่านี้บุญคุณหมายเลขหนึ่งคุณงามความดีหมายเลขหนึ่งคือคุณงามความดีที่จะต้องพึงกระทํากับพ่อกับแม่ เรามาคือโูบาอาจารย์ซึ่งจงก็มาคือสมณะพามสมณะพามที่มีศีลมีธรรมที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่ออูกเกาเผาลนออกจากกิเลสปัญหานั่นจึงสมควรจึงจะควรที่จะไปกราบไปไหวไปศึกษาไปฟังท่านทวดบ้างไม่ใช่ไปหาแต่พระอรหนอยู่ธรรมนั่นอยู่เขานี้ฝันเ อ, อียงเนาะคนไหนให้แต่เพลินฝัน คนฝันแล้วัตผันมาฝันตติมเนี่ยกองเวรโบราณบอว่าจะไปกินน้ำผีจะไปกินน้ำฝันมันคลําเด่นไปหากินน้ำฝันไ่ทานผ้าให้ทัานฝันบางทีโบฝันกับฟ้าได้อยากสันยานแต่เขาโบหานนั่นมาสิบคนฝันมันสิบยาวเดี๋ยวนี้โยมยังทันเกมยังไม่ทันเกมผ่าดอกพ่าบางองค์ท่านเก่งกว่านั้นพูดแล้วกะกาทบกาเทือนกันมีแต่เรื่องที่จะเอาเงินนั้นแหะ เขาให้ฟังกันไว้ให้ดีๆเราจะไปกินกับฝันฟังพระฝันแล้วก็มาฝันต่อซื้อ ว, วันนั้นวันนี้มันนั่งฝันกลางวันในเป็นอย่างนี้จะต้องชุดติด้วยการเวลาที่มันมีเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงบางเกิดมีแยกย่าจอมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถ อ, อ